เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลือ่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2554เป็นวันหยุดชดเชยวันตรีมหาราษที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ ยาติโยงจึงมีเวลาว่างอีกหนึ่งวันมีเวลาที่จะได้มาศึกษามาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในที่มืดที่มืดที่พูดถึงนี้ก็คือใจของเราที่ถูกความหลงความไม่รู้จริง ครอบงำทำให้หลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกกงจากเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเมื่อใจมีความหลงมีความเห็นผิด ใจก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะความอยากให้สิ่งที่ใจไปหลงยึดติดว่าเป็นของตนว่าเที่ยงว่าจะให้ความสุขกับตนนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งการหรือเป็นก็เป็นแบบไม่นานชั่วครั้งชั่วคราวพอเวลา ไม่เป็นเวลาที่เขาจากเราไปเวลาที่เขาเสื่อมหรือเป็นอะไรไปเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขณะที่ยังไม่เป็นแต่กำลังจะเป็นก็เกิดความวิตกกังวลว่าวุ่นขุนบัวกันหาความสุขไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาหา พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักใจของเราว่าใจของเรานี้กับร่างกายเป็นคนละส่วนกันใจนี้เป็นผู้ได้รับร่างกายมาเป็นสมบัติชั่วคราวเพราะว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวอนเป็นสิ่งที่มี การยุติมีการจบมีการเจริญโตโตแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บและมีการตายไปและเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการเกิดและมีการดับแล้วก็มีการ หมดไปแต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นไม่เกี่ยวกับใจไม่ได้มาถึงใจเพราะใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกที่หนึ่งที่ห่างไกลจากร่างกายดังนั้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตาม <c oughs> ก็จะไปไม่ถึงใจ แต่ใจนี้เนื่องจากมีความมืดบอดขาดแสงสว่างแห่งธรรมขาดความรู้ที่เรียกว่าสัมมาทิฐิความเห็นชอบความเห็นตามความจริงว่าใจกับกายนี้อยู่คนละที่กันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายใจก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดใจเป็นเหมือนผู้ที่ นั่งดูภาพยนตร์ส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนผู้ที่แสดงอยู่ในจอภาพยนตร์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายที่แสดงอยู่ในจอภาพยนตร์ก็จะไม่เป็นผลอะไรกับผู้ดูภาพยนตร์แต่เนื่องจากเราไม่รู้กันเราเลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็ดีใจเสียใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาร่างกายได้รับสิ่งที่ดีได้รับความสุขได้รับความเจริญก็ดี อ, อกดีใจไปกับการได้ดีได้ดีของร่างกายเวลาร่างกายต้องรับกับผลที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีต่างๆ เช่นรับภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้น้ำท่วมหรือเหตุการณ์อย่างอื่นเช่นไฟไหม้ไฟไหม้บ้านของตนหรือพายุพัด ท, ทำลายทรัพย์สินของตนหรือสูญเสียสิ่งต่างๆที่ตนได้มาเป็นสมบัติไปก็เลยทำให้ เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจทั้งๆที่ใจนั้นไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆที่ร่างกายได้มาแต่ใจไม่รู้ใจคิดว่าตนเองเป็นร่างกายร่างกายเป็นตนพอร่างกายได้ดบได้ดีก็ดีอกดีใจพอร่างกายเสื่อมเสียตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้ได้ป่วย หรือตายไปใจก็เกิดความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตใจจิตใจนี้สามารถอยู่อย่างโดยไม่มีความ เดือดร้อนวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ถ้ารู้จักวิธีสอนใจรู้จักวิธีทําใจให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางเหดนคนที่ดูภาพยนตร์ให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปมีอารมณ์กับภาพยนตร์ที่เราดูเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่เสียกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในจอภาพยนตร์พอภาพยนตร์จบแล้วเราก็เดินออกจากโรงไปเราไม่ได้อะไรไปกับสิ่งที่ผู้แสดงในจอภาพยนตร์ได้ไปหรือเสียไปนี่แหละคือใจของเราที่ขาดสติปัญญาขาดแสงสว่างแห่งธรรมจึงทำให้หลงไปยึดติดกับร่างกาย ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตนเป็นของตนแล้วก็ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ร่างกายได้เอามาเป็นสมบัติเช่นสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆหรือบุคคลต่างๆเช่นสามีภรรยาบุตรทีดาบิดามานดาญาสนิทมิสหายซึ่งเป็นสิ่งที่ มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ừ, เวลาได้มาก็ดีอกดีใจเวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจ ừ, ไม่ได้อะไร ừ, ถ้ารู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มารู้จักรักษาใจของเรา ไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขความทุกข์ที่เกิดกับจิตใจนี้เป็นเหมือนฟ้ากับดินหรือเป็นเหมือนกับน้ำในตุ่ม กับน้าในมหาสมุทรความสุขความทุกข์ที่ร่างกายได้รับนี้เป็นเหมือนน้ำในตุน่ส่วนความสุขหรือความทุกข์ที่ใจได้รับนี้เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรมีความหนักมีความรุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายนับไม่ได้ คือมีมากจนกระทั่งนับไม่ได้น้ำในมหาสมุทรนั้นมีมากกว่าน้ำในตุ่นะความสุขความทุกข์ของใจก็เป็นเช่นนั้นถ้าใจไม่มีธรรมะคอยสอนใจแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะคำสอนใจก็จะสร้างแต่ความทุกข์ขึ้นมาในระดับมหาสมุทรนะส่วนความสุขที่ได้รับจาก จากร่างกายนี้ก็เป็นเพียงน้ำในตุ่มเช่นเวลาที่เราได้เงินได้ทองมาเราจะมีความดี อ, อกดีใจมีความสุขแต่ความสุขนี้เป็นเพียงขนาดน้ำในตุ่มเท่านั้นเวลาที่เราต้องสูญเสียเงินทองที่เราได้มานี้ความทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจของเรา ความทุกข์ของใจเหล่านี้มันจะเท่ากับน้ําในมหาสมุทรจะทุกข์มากเวลาได้มาก็ดีใจแต่เวลาเสียไปนี้จะทุกข์มากกว่าที่เวลาได้มาแต่ถ้าเรามีธรรมะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะไม่ไปยินดี ไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่ได้มาคิดเสียว่าเป็นของที่เขามาฝากเราไว้เดี๋ยวเขาก็จะมาเอาคืนไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่ได้ไปคิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่มีความอยากที่จะให้อยู่กับเราไปตลอดพอเวลาเจ้าของเขามาขอเอาคืนไปเราก็ยินดีคืนเขาไป ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับการจากไปของของสิ่งของที่เขามาฝากเราไว้ถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เราได้นี้เป็นไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เขาฝากเอาไว้เช่นร่างกายนี้ก็เป็นของธรรมชาติเขามาฝากเอาไว้สมบัติเข้าของเงินทอง บุคคลต่างๆก็เช่นเดียวกันเป็นของที่เขามาฝากเราไว้แล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะมาเอาคืนไปเช่นเวลาพ่อตายแม่ตายนี้ตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้ตายเพียงตายเพียงแต่ร่างกายที่เป็นสมบัติชั่วคราวของพ่อของแม่เท่านั้นเพราะพ่อของแม่คือใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกาย เมื่อร่างกายของพ่อของแม่ตายไปใจของพ่อของแม่ถ้ายังอยากได้ร่างกายใหม่ก็จะไปเกิดไปหาร่างกายใหม่ไปตามบุญตามกรรมตามบาปถ้าบุญพาไปก็จะไปได้ร่างกายที่ดีถ้าบาปพาไปก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดีใจนี้ไม่มีวันตาย แต่ร่างกายที่ใจได้มาครอบครองเป็นสมบัตินี้จะต้องตายกันทุกคนไม่มียกเว้นแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันร่างกายของคนธรรมดาของคนยากคนจนหรือคนร่ำคนรวยของผู้ยิ่งใหญ่มหาจักรพัฒมหากษตรก็ต้องตายเช่นเดียวกัน แต่ใจของท่านเหล่านั้นไม่ตายใจของท่านก็ต้องไปตามบุญตามบาปตามกรรมต่อไปถ้าใจรู้ใจก็จะไม่หลงยึดติด ก, กับสิ่งต่างๆที่ใจได้มาเป็นทรัพย์สมบัติก็จะดูแลรักษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใจเพราะใจนี้ยังต้อง <c oughs> มีงานที่จะต้องทำอีกมาก ในการที่จะทำให้ใจนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เพราะตอนนี้ใจมักจะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองด้วยความหลงด้วยความเห็นผิดเป็นชอบดังนั้นหน้าที่หนื่งงานของใจก็คือการสั่งสอนอบรมจิตใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ให้ปฏิบัติ ตามความเห็นที่ถูกต้องให้ได้ถ้าปฏิบัติได้แล้วต่อไปใจก็จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์เลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อายุแผ่นดินไหวสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง สูญเสียบุคคลที่ตนรักไปก็จะไม่เป็นปัญหากับใจผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาที่และเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางตามความเห็นที่ถูกต้องได้คือไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆที่ตนได้มาเป็นสมบัติจะรู้ ว่าเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นของที่เขาเอามาฝากเอาไว้เดี๋ยวถึงเวลาเจ้าของเขาก็จะมาเอาไปถ้าเรารู้จากวิธีรักษาใจแล้วใจของเราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นตอนนี้เกิดน้ำท่วมขึ้นมา ถ้าใจไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีธรรมะสั่งสอนและไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าได้ใจตอนใจของคนนั้นก็จะต้องทุกข์ทรมานใจอยู่ตลอดเวลาและความทุกข์ทรมานใจนี้ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปทำให้น้ำท่วมนั้นหายไป น้ำท่วมจะหายไปหรือไม่หายไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้าถ้าน้ำหมดเมื่อไหร่มันก็หายท่วมแต่ถ้ายังมีน้ำไหลลงมาอยู่เรื่อยๆมันก็จะท่วมอยู่เรื่อยๆแต่ใจของเราหรือใจของคนที่อยู่กับน้ำท่วมนี้จะไม่ต้องทุกข์กับน้าท่วมก็ได้หรือจะทุกข์ก็ได้ถ้ามีธรรมะถ้ารู้จักการปฏิบัติทําใจให้ปล่อยวาง ทำใจให้นิ่งได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับกับน้าท่วมหรือเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเช่นความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือความตายของร่างกายก็ดีจะไม่เป็นปัญหากับใจเลยเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายมันก็เป็นเหมือนเก้าอี้อนีเวลาเก้าอี้ พังไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรมันไม่เดือดร้อนร่างกายเวลาตายไปมันก็ไม่เดือดร้อนอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเขาก็ไม่เดือดร้อนกับการตายของเขาแต่ผู้ที่ไม่ตายกลับไปเดือดร้อนแทนเขาก็คือใจเพราะความหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายนั่นเอง พอร่างกายเป็นอะไรใจก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถแยกใจออกจากกายได้ใจก็สามารถปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอะไรก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น ร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรใจเราของเราไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายที่ใจเราได้มาครอบครองนี้ก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเช่นเดียวกันเพียงแต่ใจจะต้องถอนออกจากร่างกายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากความหลงแลวก็ถอนความอยากเกี่ยวกับร่างกายให้หมดไป อยากไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเวลาอยากแล้วจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าอยู่ที่ความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตายไปพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจ เป็นอย่างมากแต่ผู้ที่สามารถละความอยากได้ไม่ปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะเจ็บไายได้ป่วยก็ปล่อยเขาเจ็บไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปใจก็จะไม่มีความทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายน้ําจะท่วมบ้านก็ปล่อยให้เขาท่วมไป ใจก็จะไม่มีความทุกข์กับการท่วมกับน้ำท่วมบ้านใจจะมีความสุขอยู่ได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องที่เราต้องมาศึกษาแล้วนำเอามาสอนใจเพื่อเราจะได้ปฏิบัติใจของเราให้ถูกต้องคือเราต้องมีพลังที่จะแยก ใจออกจากกายให้ได้ต้องมีพลังหยุดความอยากต่างๆให้ได้การจะมีพลังเกิดขึ้นได้นี้ก็ต้องมีสติมีสมาธิและมีปัญญานี่คือพลังพลังของใจอยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิและอยู่ที่ปัญญาเราจึงต้องมีความเชื่อ ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามาสร้างพลังใจกันให้มาสร้างสติให้มาสร้างสมาธิให้มาสร้างปัญญาด้วยความขยันหมั่นเพียรพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆพยายามนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆและพยายามเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจของเรา จะมีพลังที่จะแยกออกจากร่างกายได้จะไม่ยึดติดกับร่างกายได้จะปล่อยวางร่างกายได้จะไม่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอเราทำอย่างนี้ได้แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกมามามาขมเหงรังแกใจเลย นี่คือหน้าที่ของพวกเราในขณะที่เรามีร่างกายที่สมบูรณ์เพราะเราต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างพลังให้แก่ใจเราต้องมีสติอยู่กับร่างกายเฝ้าดูร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรก็ให้ใจของเรานี้อยู่กับร่างกายเฝ้าดูร่างกาย อย่าให้ใจไปคิดที่เรื่องอื่นไปอยู่ที่อื่นเช่นไปอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่ที่เชียงใหม่ให้อยู่ที่ร่างกายให้ดึงใจเอาไว้ให้อยู่กับร่างกายการดึงใจเอาไว้นี้เรียกว่าการสร้างสติเพราะถ้าเรามีสติแล้วต่อไปเราก็สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอใจเข้าสู่ความสงบ ก็จะเป็นสมาธิพอใจมีสมาธิแล้วใจก็จะหยุดความความอยากได้เวลาอยากอะไรขึ้นมาถ้าปัญญาบอกว่านี่เป็นความอยากนี่เป็นอันตรายเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจ <c oughs> ก็จะมีกําลังหยุดความอยากได <c oughs> ้เช่นเวลาเราคิดถึงความแก่แล้วเรามีความไม่สบายใจ เราก็บอกใจว่าอย่าไปอยากกับอย่าไปกลัวความแก่อย่าไปอยากไม่แก่ถ้าไม่อยากไม่แก่แล้วจะไม่มีความกลัวความแก่และก็จะไม่ทุกข์กับความแก่เช่นเดียวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายถ้าเรามีสมาธิเราจะหยุดความอยากไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายได้ พอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีอยู่เลยเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเจ็บเพียงนิดเดียวคือเจ็บที่ร่างกายซึ่งเป็นเหมือนน้าในตุ่มน้ำแต่ใจนั้นมีความสุขในระดับน้ำในมหาสมุทรใจจึงไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายกับความตายของร่างกายจะเจ็บเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่นี้ พร้อมอยู่เสมอไม่ไม่มีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวเลยเพราะใจมีพลังที่จะหยุดความอยากต่างๆภายในใจที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองตอนนี้พวกเรายังไม่มีพลังกันพวกเรายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้น้ำท่วม อยากไม่ให้สูญเสียสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆพอเรามีความอยากเหล่านี้แล้วเราก็จะมีความไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาใจนี้เราแก้ได้แต่ปัญหากายนี้เราแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้ก็เป็นครั้งเป็นคราว ชั่วคราวบางทีเราก็แก้ได้แต่บางทีเราก็แก้ไม่ได้แต่ปัญหาของใจนี้เราแก้ได้ตลอดแก้ได้หมดแก้ได้ตลอดเวลาเพราะปัญหาของใจหล่านี้อยู่ที่ความอยากต่างๆนี่เองอยากไม่ให้น้ำท่วมอยากไม่พัดพลากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักอยากให้คนเขาชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญ ไม่อยากให้เขาตำหนิติเตียนคขลหานินทาแต่เราอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆได้มีสิ่งเดียวที่เราควบคุมบังคับได้ก็คือความอยากของเราถ้าเรามีธรรมะคือมีสติมีสมาธิและมีปัญญาดังนั้นเราต้องมาพยายาม สร้างสติสร้างสมาธิสร้าง ป, ปัญญาให้มีให้มากเพราะเมื่อเรามีมากแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้แล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีความหวาดกลัวความวิตกกังวลความว้าวุ่นขุ่นมัวกินไม่ได้นอนไม่หลับความเศร้าโศกเสียใจก็จะไม่มีอยู่ภายในใจของเราเลย แม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราพยายามฝึกสร้างสติอยู่เรื่อยๆหนึ่งใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยถ้ามันไม่ยอมอยู่กับร่างกายก็ให้ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้พุทโธไปทั้งวันเพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องน้ำท่วมคิดถึงการสูญเสียสมบัติเข้าของเงินทองคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายหรือคิดถึงอะไรก็ตามให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับการกระทำของร่างกายหรือให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปต่อไปสติก็จะมีกำลังมากพอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ เวลาใจสงบนี้ใจจะมีความสุขอย่างมากสุขยิ่งกว่าความสุขที่เราได้รับทางร่างกายไม่ว่าจะได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้พอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะติดใจและจะคอยดูแลรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้อย่างเดียว เราพร้อมที่จะปล่อยวางทุกอย่างพร้อมที่จะปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอบริษัทบริวารญาติสนิทมิตรสหายพร้อมที่จะปล่อยวางร่างกายของเราเพื่อที่เราจะได้มีความสุขที่ที่เลิศที่ประเสริฐนี่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาจากความอยาก พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่เราได้จากความสงบก็จะถูกกลบไปหายไปเราก็จะต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถรักษาความสงบของใจได้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาใจคิดปรุงแต่งอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามีปัญญาก็จะมาดับได้ทันทีเพราะรู้ว่า ความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองดังนั้นเราต้องสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขเดียวๆแต่จะเป็นความทุกข์มากกว่าเช่นสมบัติเข้าของเงินทองตอนนี้ที่ถูกน้ำท่วเวลาเราได้มาตอนนั้นเราก็มีความสุขใจแต่ตอนนี้เราจะต้องมีความทุกข์ทรมานใจ กับสมบัติต่างๆที่เราไม่อยู่เพราะจะต้องถูกน้ำท่วมทำลายไปนั่นเองให้เราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะได้อะไรมาก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปในลําดับต่อไปใช้ปัญญาแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมีแต่ความสุขใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีอะไรจะต้องวิตกกังวล ไม่มีสมบัติข้าวของเงินทองที่จะต้องวิตกกังวลหรือถ้ามีเราก็ไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องสูญเสียเขาจะต้องจากเราไปอยู่ดีนี่คือปัญญาให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ตามนี่คือการรักษาใจของเรา ด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติไปเจริญสติไปเจริญสมาธิไปเจริญปัญญาพอเรามีสติสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์อีกต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้